สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยแปดสิบสี่เรื่องคดีพระเยซูพี่น้ครับพอจะนับพระเจ้าต อ, ตอนนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดข้อที่สิบสองจนถึงข้อที่สิบสี่สิบเก้าจนถึงข้อที่ยี่สิบสี่ และ28จนถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่40พระเจ้าพระเจ้าในวันนี้ยาวมากครับแต่เราจะได้เห็นภาพรวมของทดีพระเยซูโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจับพระเยซูไว้แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อน เพราะอานัสเป็นพ่อตาของคายฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายฟาสผู้นี้แหละที่แนะนําพวกอยู่ว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดมหาปุโรหิตก็ได้ถามพระเยซูถึงเหล่าสาวกของพระองค์และคําสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบท่านว่าเราได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ในพระวิหาร ที่พวกยิวเคยชุมนุมกันเราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามเราทำไมจงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่าเราได้พูดอะไรกับเขาและเรารู้ว่าสอนเราสอนอะไรเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วเจ้าที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นได้ตอบพระภาคพระเยซูแล้วพูดว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูตรัดตอบเขาว่าถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิด แต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทําไมอันนัสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาไคยาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจําการเพียงนั้นครับเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นถูกนําไปพบกับมหาปุโรหิตแต่ก่อนจะไปหาปุโรหิตนั้นพระกัมภีร์ได้บันทึกว่าเขาพาไปหาอันนสัสอันนัสนั้นเป็นพ่อตาของไคยาฟาส นะครับผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นไคยาฟาสได้พูดกับพวกยิวเป็นเสมือนคำพยากรณ์ว่าพระเยซูนั้นจะตายแทนคนทั้งหลายเขาบอกว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดคุงครับย อ, อนั้นได้บันทึกเพื่อที่จะให้เรารู้ว่านี่คือความคิดของไคยาฟาสซึ่ง เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ไม่ดีตอบตอบพระเยซูแต่นี่พระเจ้าพลิกพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นดีเพราะเนื่องจากว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นการตายแทนคนทั้งหลายครับพี่นไหมครับขณะที่มีบางคนมุ่งร้ายต่อเราแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้เห็นไหมครับกลายเป็นดีนี่หมายถึงว่าเปลี่ยนให้อยู่ในน้ำมัทไทยของพระองค์ได้ การสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นความมุ่งร้ายของคนอื่นที่ไม่เคารพพระเยซูที่ไม่รักพระเยซูแต่สําหรับคนที่รักพระเยซูการสิ้พระชนของพระองค์นั้นก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงกับชีวิตของพวกเราที่รักพระเยซูที่เชื่อฝังพระเยซูนั่นคือเป็นช่องทางที่เราได้รับความรอดเป็นช่องทางที่เราทั้งหลายได้รับความรอดจากพระองค์ เรื่องครับหากชีวิตของเราจะตายสักครั้งหนึง่งแม้ว่าจะเป็นการวุ่งร้ายของศัตรูแต่อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วลราก็เราก็สามารถที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นๆได้จากการตายของเราพี่น้องครับเราจะดูตอบไปครับเมื่อปิเมื่อเปรโตปฏิเสธพระเยซูยอนก็แทรกเรื่องเปโตปฏิเสธพระเยซูแล้วหลังจากนั้นยอนก็บันยายเพราะยอนนั้นอยู่ ในสถานที่นั้นย้อนบรรยายต่อไปว่ามหาปรุรหิตก็ถามพระเยซูนะครับมหาปุริศตอนนี้ก็ถามพระเยซูและพระเยซูก็พูดกับเขาเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตบพระเยซูครับแล้วบอกว่าเจ้าตอบมหาปรุรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูบอกว่าถ้าพูดผิดถ้าพระองค์พูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิด และพระเยซูถามว่าถ้าพูดถูกท่านตบเราทําไมจากนี้เองอันนัสนะครับซึ่งเป็นพ่อตาของขยาฟาสก็เลยหาเหตุหรือจับพระเยซูไม่ได้ครับหาเหตุฟ้องผิดไม่ได้อันนัสก็เลยพาพระเยซูนะครับซึ่งถูกมัดอยู่นั้นไปหาขยาฟาสผู้เป็นมหาผู้พิจําการหลังจากนั้นครับ เขาก็พาพระเยซูออกจากบ้านของไคยาฟาสไปที่ศาลเพทโเรียมเป็นเวลาเชา้านั่นหมายความว่าชาวยิวนั้นเขาทําการสอบสวนนะครับและพูดคุยสอบสวนในตอนกลางคืนซึ่งตามหลักการสอบสวนแล้วผิดครับไม่สามารถที่จะมีการสอบสวนในเวลากลางคืนได้แัง้นก็ตามเราเห็นว่า ความอายุติดธรรมเกิดขึ้นในคดีของพระเยซูในข้อ28บันทึกว่าพวกเขาก็พาพระเยซูออกไปจากบ้านของคายาฟัสไปยังศาลพิจเรียมเป็นเวลาเช้าตู่พวกเขาเองก็ไม่ได้เข้าไปในศาลพิจเรียมเพื่อไม่ให้เป็นมนถินและจะได้กินปัสคาได้พี่น้องครับเขายึดกฎหมายยึดระเบียบประเพณีปฏิบัติมากกว่ายึดความถูกต้อง เขากลัวที่จะเข้าไปในสารพิโตเรียมเพื่อไม่เป็นมนทินเพื่อที่จะกินปัสกาได้แต่เขาไม่กลัวที่จะฆ่าพระเยซูเขาไม่กลัวที่จะให้ร้ายพระเยซูเขาไม่กลัวที่จะเป็นพยานเทศปักปั้มพระเยซูพรมเพียได้บรร ญ, ญายต่อไปว่าปีลาศนั้นออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้พวกเขาตอบท่านว่าถ้าเขาไม่ใช่เป็นผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็คงไม่มอบเขาไว้ให้กับท่าน พิ่ลาดกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปที่ภาคษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกอยู่จึงเรียนท่านว่าการที่พวกเข้าไเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายพี่น้องครับการพิจารณาคดีที่ผิดหลักกฎหมายนะครับในสมัยที่ในสมัยที่โรมปกครองโรมปกครองอยู่นั้นพี่น้องทราบไหมครับว่า เขาไม่สามารถประหารชีวิตใครได้เลยนะครับนอกจากได้มีการตัดสินจากเจ้าหน้าที่ของโรมปาเลสไตนั้นอยู่ในอำนาจปกครองของโรมโรมยอมให้ผู้นำศาสนาในท้องถิ่นตัดสินคดีความระหว่างชาวยิวด้วยกันได้โดยอาศัยกฎหมายของพวกยิวแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจในการประหารชีวิตพระเยซูก็เลยถูกผู้นำศาสนา จับกลุมมจ่ายอาหารชีวิตไม่ได้เขาก็ต้องพามาหาพามาหาปีลาศครับนี่คืออาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดในบทศาต์ของหลักนิติศาสตร์มีศาสตราจารย์คนหนึ่งพูดอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองนะครับการพิจารณาคดีพระเยซูนะครับก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องการให้การต่อหน้าปีลาศนะครับ เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินบาลพวกยิวรู้ครับว่าเขาจะต้องตั้งข้อหาคำถามแรกของปีลาก็คือว่าพวกเจ้าฟ้องชายคนนี้ด้วยข้อหาอะไรพวกยิวรู้ว่าข้อกล่าวหาเท็ตนั้นก็คือจะต้องมิ่นประมาทพระเจ้าที่เขาเกล่าวหาแต่พระเยซูจริงๆแล้วพระองค์ไม่เคยมิ่นประมาทพระเจ้าเลย พี่น้องครับตอนแรกปีลาภพยายามหาทางปล่อยตัวพระเยซูเพราะว่าปีลาภก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าเมโตว่าพระเยซูไม่ได้ทําผิดอะไรเลยปีลาภรู้อยู่แก่ใจว่าพระเยซูไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแต่ท้ายสุดปีลาภก็เลือกที่จะปล่อยตัวบาลบัสซึ่งถูกจับด้วยข้อหาปกตมและฆ่าคนตามคําแนะนําของพวกยิว ครับเมื่อเราวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราเห็นนะครับว่าการพิจารณาคดีพระเยซูนั้นเริ่มต้นต่อเนื่องกันไปและสิ้นสุดลงพร้อมกับประกาศคําตัดสินในเวลาเที่ยงนะครับในเวลาเที่ยงเที่ยงคืนวันพระรหจนถึงช่วงเช้าเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักนิติศาสตร์ กฎหมายของชาวยิวรวมทั้งความยุติธรรมอย่างชิ้นเชิงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้ว่าพระเยซูยอมที่จะแบกรับความอายุติธรรมทั้งหลายแบกรับข้อล่าวหาทั้งหลายแบกรับความเจ็บปวดการถูกย่อเยยการถูกข่มเหงการถูกตบหน้าเพราะเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราทั้งหลายทุกคน แต่เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เป็นอย่างทุกวันนี้และเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เป็นอย่างพระองค์ในอนาคตขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะให้คดีประวัติศาสตร์นี้เป็นคดีที่เราทั้งหลายทุกคนจะต้องจดจําว่าพระเยซูรับการพิพากษาแทนที่พระองค์จะพิพากษาแท้จริงแล้วพระองค์ เป็นผู้พิพากษาสุดท้ายครับที่จะต้องนั่งอยู่บนบันลังแห่งการพิพากษาถามว่าพระเยซูทำอย่างนี้เพื่อใครคำตอบก็คือเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเพื่อคุณและผมเพื่อคนบาปทั้งโลกขอพระเจ้าสนกำลังพี่นอ้น อ, งนองทุกท่านในการที่เราจะรักพระเยซูตอบสนองต่อความรักของพระองค์อย่างถูกต้องอาเมน